ก็ทำให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้พระเชิญก็ขอกลับรัตนนาจานิวรได้เมตตากรุณาต่อนักปฏิบัติโดยการชี้แนะแก่อารมณ์แก้ไขอารมณ์ต่างๆแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่ผ่านไปก็ใช้ธรรมะนอกเนืะเนาะจ็นอกนอมแก่พรัตนาใจก่อภาพพลวัตคณะสงฆ์ทุกลูก ขอเจริญในธรรมกับญาติธรรมทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สองที่ยี่สองกุมภาพันธ์เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลาหลายวันแล้วโดยเฉพาะก็วันเปิดงานเปิดงานเป็นวันที่สิบวันที่สิบแปดเปิดงานแต่เราเริ่มต้นแต่วันที่สิบเจ็ด แล้วเราก็ได้ฟังในฟังถ้าใครสนใจตั้งใจฟังก็คงจะได้ได้ความรู้ได้ควา ม, มรู้จากการฟังเมื่อได้ความรู้จากการฟังแล้วก็จดแล้วก็จำเอาจะไม่ได้ไม่ได้จดใส่หนังสือจดไว้ในใจจำไว้ในใจแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติตามโดยเฉพาะก็ เรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็โดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเทียนทำล้ำลึกคือนึกถึงหลวงพ่อเทียนผู้ให้กำเนิดแห่งการเจริญสติผู้ให้แนวทางแห่งการเจริญสติให้ได้เราได้อยู่อยู่ได้อยู่ได้มาถึงวันนี้แม้แต่อัตมาเองหรือข้าผมเองก็อยู่มาได้ โดยการเจริญสติถ้าไม่มีสติก็อยู่ไม่ได้ก็คงจะไปเป็นอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นไปเป็นในหลยอย่างฉะนั้นการเจริญสติก็ดีการทำความรู้สึกตัวก็ดีการทํำความเพียรก็ดีเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของผู้นักปฏิบัติธรรมไม่ใช่หน้าที่ของครูบาอาจารย์ไม่ใช่หน้าที่ของคนในคนหนึ่ง เป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องแสดงออกในทางถ้าทางกายก็ต้องเดินโยกคมถ้าทางวาจาก่อนพูดอย่างมีสติถ้าทางใจก็ให้มีทำความรู้สึกตัวให้มันมากขึ้นให้มันหลายขึ้นถ้าความรู้สึกตัวน้อยลงก็สติของเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นที่จ ะ, ะทันกับเหตุการณ์ ที่มันปรากฏขึ้นภายในคิดภายในใจของเราสมัยทั้งเก่ที่อาตมาหรืก็ผมเองมาอยู่หลวงปูอ่อยู่ก็อยู่ในช่วงระยะเปิดอบรมไม่ได้อยู่ประจำอุปถาตท่านแต่ท่านก็ก็พอที่จะมองเห็นหรือมุมมองที่ว่าหลวงปู่นักปู่เทยนของเราเป็นพระในลักษณะไหนก็พอที่จะมองได้เห็นชัดเจนว่า เป็นผู้ที่ขอนควายคือท่านสอนอย่างเดียวหรือว่าท่านเทศสอนอย่างเดียวไม่ได้สอนอย่างอื่นคือเทศเรื่องการเจริญสติหรือทําความรู้สึกตัวนี่แหละหรือกิจจวัตอย่างอื่นทั้งก็ไม่เอามาไม่เอามามาใชา้เห็นการก่อสร้างหรือว่าการอ่าอะไรก็แล้วแต่ท่านก่อหรือว่าการทําบุญก็ดี หลวงปูของเราก็ไม่ได้ออกมาใช้ในสถานที่แห่งนี้เราก็จะเห็นได้ง่ายๆว่าการก่อสร้างก็อยู่พออยู่ได้อุติเล็กๆแม้แต่สลาที่เราอยู่ก็อยู่แบบง่ายๆอยู่แบบสบายพอมีพอใช้พอพอไม่ให้ลาบากพอได้หลบผลพอได้ทําการเจริญสตินี้ก็แสดงว่าไม่ท่านขนขวยในทางที่ว่าให้ทุกคนได้มาอยู่มาใสหรือว่ามาประพฤติปฏิบัติ ด้วยการเจริญสติอย่างเดียวฉะนั้นเจตนาของอของหลวงปู่ก็คือคืออย่างที่กล่าวมาแล้วแต่เราผู้เราผู้ที่มาอยู่ที่หลังมาอยู่ที่หลังคือมามาที่หลังหรือว่ามาปฏิบัติเราก็ให้ได้มันสมกับที่ว่าเจตนาของของท่านมันก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ <c oughs> มีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่ามี ผู้ที่รู้ตามท่านอขั้นเขาเรียกว่าขั้นพื้นฐานอขั้นพื้นฐานนี้แล้วก็เป็นภาร ะ, ะหรือเราเราเป็นรับเป็นอเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ในการปฏิบัติอาจจะไปเป็นตั้งสํานักหรืออาจจะเป็นพระอาจารย์สอนออย่างนี้ก็เยอะแยะแต่แล้วก็เอาตัวไม่หลอดไปเยอะแยะอะเพราะอะไรเพราบอกว่ า, วาความรู้ที่พื้นฐานที่มันเปลี่ยนมานั้นมันยังไม่ถึงที่ อาจจะเป็นรูปๆโดนๆดนหรือรู้ยังไม่ท่ถึงคือว่าเพียงแต่อารมณ์ของการปฏิบัติธรรมมันเปลี่ยนนิดนึ่งแล้วเราก็ว่าเรารู้แล้วเราก็ว่าเราเห็นอแล้วเราก็ว่าเราทําเป็นแต่ทำนั้นมันเป็นยกมือสร้างจังหวะเดิยนยมกลมนั้นมันทำได้พรอนเป็นของหยาบๆมันมองเห็นได้ด้วยตาอย่างอาตมาพูดหรือว่าอย่างโยมแม้แต่คาพูดี่ก็เป็นลูกเป็นสิ่งที่หยาบๆเพราะมัน เพราะมันเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันน่ะคำว่าลูกหรืก็คําคำพูดเดียวกันมันก็จะเป็นน้ำฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็มันเป็นของง่ายๆเห็นง่ายๆสมัยก่อนอาตมาก็เคยปฏิบัติเคยปฏิบัติเข้าใจง่ายๆคำว่าลูกลูกก็มันเห็นง่ายๆเช่นรูปร่างกายของเราเนี่ยคาคําว่ามันยกมือขึ้นไม่ว่ามือก็ว่าลูกก็ได้สิ่งที่ว่ายก มันก็คือไม่ว่าน้ำก็ว่าใจใจมันรู้อย่างนั้นนี่แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ว่ารู้ตามตามท่านว่ามันก็เข้าใจง่ายๆแต่ที่มันจะเข้าไปรู้สภาวะธรรมที่มันเป็นจริงที่มันมีอยู่กับเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเหมือนกันทําได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าการต่อพื้นปฏิบัติหรือการเจริญสตินั้นเป็นสิ่งที่ว่าทําได้ยาก แต่ก็เราก็ต้องทําเพราะว่าทําแล้วมันได้ผลคุ้มค่ายกตัวอย่างเช่นเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เช่นการเจริญสติอย่างนี้ถ้าเราอยู่เฉยๆนี่มันไม่มันไม่มีอะไรเราอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่กับโรกกับหลานอยู่กับการกับงานมันก็ไม่ง่วงมันก็ไม่ง่วงมันก็ไม่มีขี้เกียจมันก็ไม่มีปวดหัวมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เหล่านี้ยุ่งใจอแต่เมื่อเรามาเจริญสติอ ความง่วงมันก็มาหาความอยากนอนมันก็มาหาความขี้เกียจมันก็มาหาความม่ตตกกังวลมันก็มาหาได้มันก็เหนื่อยได้มันก็เยอะอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าทําได้ยากอทําได้ยากจริงๆนะบางคนก็ทําไม่ได้บางคนก็โอ้ทำอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนี้คื่กลัวบางทีก็ไปไม่คบงานไปวันสองวันก็ไปแล้วบางคนก็เห็นผลตกก็เอาไม่ไหวแล้วไม่มีที่หลับที่นอนอ่ามันขออ้างมันเยอะทางออกมันเยอะสิ่งเหล่าเนี้ย ท่านบ อ, อกมาเยอะจริงๆฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นการที่ว่าเอาชีวิตเข้าไปแลกเอาชีวิตโตเข้าต่อสูอ้ตายก็เป็นตายสู้อย่างนั้น่ะต้องต่อสู้แต่เมื่อก่อนเราเคยเดินจมกลมเนี่ยหน้าหนาวๆใ น, นเดินจมกลมนี่โดยเฉพาะก็เปิดท่านมาเปิดอยู่นี่มันหนาวปีนั้นเปิดอยู่ที่นี่แหละอยู่บ้านพ่อวันนี่พ่อวันแม่วันแย่นี้ท่านก็เสียไปแล้วเอาเอาเล้าไก่เอาเล้าไก่ทำ ไ, ไปก่อนท่านเลี้ยงไก่ เอาเราไก่เอาข้อไก่นี่ยเป็นที่อ่าเป็นที่อบลมเป็นที่ทำมาัดปีนั้นหนาวจริงๆไปนอนนู่นอยู่ที่ อ, อ่าอยู่ที่ป่าป่ากล้วยที่ก็ล้อมเอาไว้อยู่่อนข้างๆอ่าตูบน้อยๆที่เขายืน่ะหนาวจริงเลยน้ําคลังหยดปีนั้นหนาวจริงๆคงจะเป็นยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่ปีนั้นหนาวจริงๆรู้สึกว่าเดินยังกลมไม่ได้ตีนนี้มันกระด้างเลยมันหนาว อ่ะมันหนาวเดินยังคมไม่ได้แดดอ่อนๆถึงมาเดินอ่ะเดินนอนนี่หนาวเกียบเลยลำบากกว่า น, นี้อีกหลายเท่านี่เราเปนยังดีไฟฟ้าก็ไมไฟฟ่ไฟฟ้าก็มีอยู่แต่มันใช้ไม่ได้สะดวกอย่งนี้นะปีนั้นนะปีประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่อ่นปีนั้นนะหนาวจริงๆปีนั้นนะอ่าก็ได้อารมณ์ในอารมณ์ในการปฏิบัติคือสู้หนาวก็ต้องสู้อยู่ก็ต้องอยู่อย่างนั้นเน่ะจนครบเทอม คงจะเป็นห้าวันเปิดได้ไหมห้าวันหรือหกวัน่ท่า น, นเปิดที่นั่นเราก็ได้อประพฤติปฏิบัติมาต่อสู้กันมาเรื่อยๆจนคนบางคนก็สู้หนาวไม่ไหวก็หนีไปก็มีหนีไปก็เยอะแยะแต่พวกที่ไม่หนีก็ได้อ่าได้คําได้คําคําพูดเอาไว้ว่าเคยได้มาที่นี่อย่างกระผมเองแตทํายังได้มาได้มาที่ที่นี่ตั้งแต่ก่อนๆนู้น S <S <an> ก็รู้สึกว่าก็รู้จําอย่างที่พูดในฝัง่งแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ที่ดีอย่างหนึ่งคือว่าคำมารู้จํานี้แหละจะเป็นสิ่งที่ว่าเราเอาไปปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้เราจะรู้ค่องตัวคือประส บ, บการณ์เราเองการเรพิ่ปฏิบัติทำฉะนั้นการเจริญสตินั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากแต่ทําได้แต่ทําได้นะแต่การการรู้รู้รู้จักรู้จำนั้นมันรู้ง่ายๆ แต่ที่เราจะรู้จริงหรือว่ารู้รู้แก้งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเองเราอาจจะรู้รู้จำมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็รู้จักรู้จักมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แสดงให้ดูเช่นยกโต๊ะยกมือสร้างจังหวะอย่างนี้เดินเดินกลมอย่างนี้ท่านยกอะไรก่อนท่านยกมือขวาก่อนเอาเข้าเอาออกเราก็ดูท่านแล้วก็รู้จักแล้วก็มาทํา น, นี่เขาว่า เรามาทําแล้วเราก็ได้อารมณ์คือได้ได้ควมรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ได้รู้จักวันรูปคืออะไรนามคืออะไรนี่นี้มันเป็นเป็นเรื่องของเราเองขออย่างเดียวว่าไม่ต้องหยุดการปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดถ้าหยุดแล้วมันมันก็ไม่ถึงทางยกตัวอย่างเช่นเราจะไปในเมืองเราไปจุดเสื้อฝั่งโน้น แล้วมันก็ไม่ถึงที่จุดที่หมายปลายทางของเราแล้วท่านั้นเราพยายามไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมไปจนมันถึงที่ว่าเรารู้จักรูปนามชัดเจนแล้วโดยยั่งถ้าเรารู้จักรูปนามชัดเจนแล้วไม่มีปัญหาไม่ต้องถามครูบาอาจารย์ไม่ต้องว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรความคิดคืออะไรเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนี้แต่สมัยก่อนไม่ต้องถามแล้วสมัยก่อนหลวงปู่ท่านให้เดินย่างควงก็เดินท่านให้สร้างจังวะก็สร้าง มีแต่ท่านให้อวาดอย่างเดียวแล้วผู้ปฏิบัติธรรมก็มุ่งปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้ไปถามถ้าถามก็ถามผู้ที่ได้อารมณ์ปฏิบัติเท่านั้นถ้าบุคคลไหนได้อารมณ์ปฏิบัติไปถามก็แก้ได้ง่ายก็เข้าใจง่ายแต่ถ้าบุคคลไหนฟังหรือว่าจำไปจาไปถามไม่จบเลยจะพูดยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็น ค, ำำคำําจําคําสัญญามาก็ไปไปบอกท่านว่าท่านรู้อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่จบ นะถ้าเราติดอารมณ์กรรมฐ า, านจริงแล้วอ่ า, อาผู้ที่แก้อารมณ์นี่ก็แก่ได้ง่า ย, ายถ้าเราจํามาหรือว่าสงสัยโดยที่ไม่ได้อารมณ์อะไรเลยไปถามนี่มันก็ไม่จบคุยกันอยู่างนั้นเนี่ยคุยกันทั้งวันทั้งคืนอเอาไปมาไม่รู้ว่าใครไปสอบอารมณ์ใครไม่รู้ว่าใครติดอารมณ์ครูบาอาจารย์ก็ติดอารมณ์ลูกศิษย์ลูกศิกษย์ก็ติดอารมณ์ครูบาอาจารย์ติดตึงกันติดไปอ่อนตอน่อเนี่ยเป็นอย่างงั้น แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติได้จริงๆนั้นอก็คงไม่ยากอะไรอคงไม่ต้องไปถามใครไม่ไม่ต้องไปถามใครก็ได้อย่างอาตมานี่ไม่เคยไม่ได้ถามใครการปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆหลงพ่อปู่หรือว่าน้องพ่อแ้วก็เที่ยไปเรื่อยๆอแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆจบงานนี้ก็ไปงานใหม่จบงานใหม่แล้วก็ไปเรื่อยๆอแม้แต่กลับมันเสร็จจากงานแล้วก็ไปอยู่บ้านอยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติได้เดยังยมได้สร้างจังหวะได้ ไม่ใช่ว่าไม่ได้หาเวลาที่มันจะทํานั้นมันก็มีอยู่นั่นแหละเราจะก่อนนอนก็ได้หรือว่าตื่นนอนมาทําก็ได้นี่งคือการเจริญสติเพราะว่าการเจริญสตินั้นมันมีอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คำพูดไม่ได้อยู่ที่ตำหรับตําราไม่ได้อยู่ที่วัดที่วาไม่ได้อยู่ที่สถานที่ใดที่หนึ่งอยู่ที่กายกับใจนะไปที่ไหนแล้วก็เอากายกับใจไปด้วยไปด้วยเราจะบวชเป็น พระก็ตามเป็นสามเณรก็ตามเป็นขีเป็นเถ็นเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าก็เอากายตัดใจไปเป็นไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอาอย่างอื่นไปเป็นเอากายตัดใจไปเป็นเจ้าชายพิทถะก็เป็นคนอย่างเรานี่แหละนะเจ้าชายพิทัะเป็นคนอย่างเราเป็นเจ้าชายอย่างเรามีความเป็นอยู่อย่างเราหิวก็หิวก็หิวก็เฉวยร้อนก็ไปอาบน้ําเนี่ยเวลา มีคนมาดุมามีคนมาดุมาว่ามาด่าก็ามีความไม่พอใจเหมือนกันกับเราสมัยไม่เป็นเ้ายชายฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เอากายกับใจของเราไปเป็นทั้งนั้นฉะนั้นหลวงปู่จึงเน้นหนักให้ให้เรามาดูกายกับใจาเราจะทํายังไงถึงจะดูกายกับใจได้ชัดเจนก็คือมาเฝ้าดูมาสังเกตดูอในเรื่องของกายก่อนของหยาบก่อนเห็นกายก่อน ท่านยังให้กำหนดรู้ในการยกมือก็ดีการเดินโยกมก็ดีการสร้างจังหวะก็ดีเพราะมันเห็นง่ายๆทำขั้งแรกมันก็อาจจะฟุ้สซ่านเพราะว่ามันมันไม่เคยทําหรือแม้นไม่ได้ผููเคยทําแล้วก็ตามก็อาจจะฟุ้งซ่านในบางกันถ้า อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อารมณ์มันผ่านมาเยอะแยะ อ, ะอย่างคนที่ปฏิบัติขั้นแรกได้ควมได้ได้ใจรูปน้ำไม่ไหมอาจจะมีอุปสรรค หนึ่งอาจจะเป็นทําให้ว like ่าโอเรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วอาจจะอยากจะเทศจะสอนหรืออาจจะอจะวางทุเละว่าตัวรู้แล้วก็อยากจะบอกคนอื่นอยากจะไปสอนคนนั้นอยากจะไปสอนคนนี้อยากจะให้เขารู้อยากจะให้เขาเห็นอยากจะให้เขาเข้าใจอย่างนี้ก็เยอะแยะอหรือว่าตัวผมเองเขาเป็นมาแล้วะคือว่ามันเอ็นดูเขาเอ็นดูเขาเอ็นเราเขาก็เลยขาด นี่คือมันขาดการขา ด, ขา ด, ขา ด, ขาดการต่อเนื่งองในการเจริญสติถ้าเราไม่ถ้าเราไม่หยุดอะถึงมันจะรู้ก็ดูใจถึงมันน้ำตาจะไหลก็ดูใจดูใจมันก็ดูไม่ได้เพราะว่าใจเป็นของละเอียดเราก็เลยมาดูกายดูกายก็เห็นใจดูกายก็เห็นใจเพราะว่าการดูกายนั้นจกไปอย่างเช่นเรามีความคิดพุ่งสร้างอาจจะคิดถึงบ้านอาจจะคิดโกรธคนในคนหนึ่งอาจจะคิดถึง เช่นภรรยาอาจจะคิดถึงสามีหรือว่าอาจจะคิดถึงลูกถึงหลานอยู่ที่บ้านหรือว่าเป็นแม่ชีอาจจะคิดถึงพ่อชีก็ได้พ่อชีก็ไปถึงว่าพระแล้นะหลวงพ่อที่มันคุยถึงคอกันก็มีนะเป็นไปได้ก็เป็นกันนะเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านอาจจะรำคาญก็ได้แต่ว่าเมื่อเรามายกมือสร้างจังหวะเราก็มากาหนดรู้ที่มือหรือที่สร้างจังหวะ ที่การเคลื่อนไหวของกายนะบางทีเรลาจะคิดมากๆเมื่อคิดไปแล้วเราก็มากําหนดรู้ที่เรายกยกรู้เฉพาะเฉพาะยกขึ้นอ่ะเนี่ยคือว่าเราทําความวุ่นวายมาให้มันเห็นเห็นเอันเดียวคือเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยนี่ก็มันก็เมื่อเห็นการเห็นอันเดียวแล้วมันก็เป็นอันหนึ่งหนึ่งเดียวเมื่อหนึ่งเดียวแล้วความคิดของเราก็ก็หมดไปเมื่อหมดไปแล้วมันจิตใจของเราก็เป็นสงบตัวสงบตรงนี้ก็ว่าสงบจากความคิด อยากพูดอยากควมวุ่นวายมาเห็นอันเดียก็ตัวรู้นี่ก็ก็อาศัยกายเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นนิมิตอาศัยกายเนี่ะเป็นการเคลื่อนไหวเนี่ยแต่เมื่าก่อนอาจาร์มาเคยได้บวชมาตั้งหลายปีแล้วก็เคยพูดบ่อยว่าสมัยหนึ่งที่ท่านจัดบวชเนนพระกระโดร้อนที่อ่าวัดฝ่าพุทธยานเนี่ยบวชเลนหลายเป็นร้อยอช่วงนี้แหะช่วงเดือนมีนาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเขาจะบวชกันก็ช่วงเดือนมีนาไปหาเมษา จากนั้นก็มีการสาสไลด์มีการมีหนังเด็กห้าไปฉายสมัยนั้นอ่ะพอดีก็เลยเขาจะใหะ้กลุ่มของเนนเนนร้อยหนึ่งก็จะเป็นสิบกลุ่มกลุ่มละสิบรูปแล้วก็มีหัวหน้ากลุ่มคนหนึ่งแล้วก็รองหัวหน้าคนหนึ่งเป็นรูปหนึ่งให้ไปให้ไปอยู่ไปชา้ปชาไปช้าก้อจากวัดก็อยู่ที่วัดแต่สมัยก่อนเป็นป่าป่านั้นก็ เป็นป่าทึกป่ามันมันรกมันลุงลังทางรถไฟช้าที่เอาคนไปเ ป, เป่ามันก็รู้สึกว่ามันมันน่ากลัวนะมันอยู่ห่างไกลจากสลาอะาก็เลยครั้งนั้นก็มีอาญาอ่าสนไทยไปใส่หนังหนังวิ่งได้ด้วยเป็นหนังสิบหกของท่านเขาเรียกว่าหนังเรื่องเด็กหัดอ่าสมัยนั้นพอดีก็เนนมันก็อยากจะไปดูนะทั้งที่อ่าติดเวรอ่ากเลย มีเรียนรูปหนึ่งมันสลัดว่าลงปูลงปูว่ามมีผีไหมที่นี่หรือว่ามันไม่มีลงปูวดมานานแล้วจนแก่จนจะตายอยู่แล้วลงปูไม่เคยเห็นผีถ้าลงปูไม่เคยเห็นผีก็อยู่คนเดียวได้ใช่ไหมแม่ก็บอกว่าได้ถ้าไม่ได้มันก็มันก็เสียเสียรูเ้เรียนพอดีเย็นนัด ก, ก็ไปหมดไปดูหนังเหล็กฮัทไฟฟ้าก็ไป ม, มีจุดเทียนเอาไว้ มันก็อารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไ ป, ไปไปว่าไม่มีเป็นมีเปลี่ยนมากอ่าเหมือนกับคําที่เขาว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับมิตรก็ให้ระวังวาจาอย่างนั้นพอดีอยู่คนเดียวมันก็คิดเนี่ยคิดไปว่าย่งไรคิดว่าเอ๊ะสมัยก่อนคนแก่ว่าถ้าผีมาเนี่ยลมก็มาก่อนคิดนะพอดีลมก็มาจริงจด้วยลมมันก็มาแรงด้วยพุทธพุทธพุทธลมก็ฟัดแรงอย่างเงี้ย มันลมพัดแรงจริงๆพอดีก็เลยคิดไปเองว่าถ้าลมพัดแล้วผีมันก็จะกระโดดออกมาจากทรยไม้อ่ะคิดนั่นพอดีคิดอย่างนั้นแล้วก็ตกมาจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าอะไรตกไม่รู้ว่าอะไรหล่นตูมลงมาหรือ ว, ว่าง่าไม้ก็ไม่รู้จะตกพุ่มมาอือพอดีก็เลยเอ๊พอดีจะวิ่งที่นี่กาจจะวิ่งแ่ะเพราะกลัวผี <Yeah. S 1> อ่ะผีหลอกแล้วแน่นอนขนลุกซาไปเลย ขนลูกตาตาเลยตั้งไปเลยเนี่ยก็จะวิ่งไม่ว่าจะวิ่งพอดีจะวิ่งแล้วพอดีก็เลยนึกว่าเออคนแก่เพราว่าถ้าวิ่งมีผีมันจะต่อขาอาตายลูกเดียววิ่งก็วิ่งไม่ได้กลัวผีจะมาต่อขาก็เลยหยุด ว, วิ่งไม่ออกพอดีวิ่งออกก็เลยมาเดินจงกรมก็เลยมาเดินจงกรมเดินจงกรก็เดินไม่ไหวเพราะขีเดินตามหลัง ผีมันเดินลำหลังแทบแทแทก็คงจะเป็นรองเท้าตัวเองอนนะ่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่ตัวเองอ่ะเราไปดูความคิดอ่ะเดินแทบแทบไปแล้วก็เป็นเอาเทียนไปตั้งเอาไว้มันก็เป็นเงาเงตามตัวมาเออผีเดินลำหลังแล้วไม่ไหวแล้วเววิ่งก็วิ่งไม่ได้ถ้าวิ่งไปผีก็จะต่อขาก็จะถูกผีเหยียบแล้วก็จะตายคนเนิร์ดได้ก็เลยมานั่งนั่งหลับตาสร้างจังหวะไม่ได้นั่งหลับตาก็เห็นผี mm. เห็นผี เห็นผีผีนั้นมันมีไดหลายอย่างเราคิดยังไงเห็นอย่างนั้นหน้าคนที่ตายไปแล้วที่เราไปไปเอาไปอัศจรรย์เห็นหมดเลยคนที่ตายไปเห็นหมดเลยมันจําได้สัญญาเก่ามันมาสัญญาเก่ามันมาคือความคิดเก่าๆนี่นหะมันมันมาทำให้เราวุ่นเหมือนกับคนไหนที่เคยมีแฟนมีอะไรเคยรักเคยหวานเคยชื่นซึ่งกันและกันแล้วก็หันถางกันไปหลัมามันมาทบทวนอ่ะมันมามันมันมาทบทวนเราที่พุทธเจ้าบอกให้ทวนกระแส เขามาทวนกระแสคือทวนตรงนี้ทวนกระแสคือทวนอดีตทวนอนาคตให้มาอยู่กับปัจจุบันนี่คือทวนกระแสถ้าเราไปในอดีตมันก็คมหลังมันก็มาะสิ่งไหนที่มันดีมันงามมันก็จิดตใจของเราทํายังไงมันลุกหมดอะมันรู้ไปหมดเราไปคิดไปถ้าคิดถึงอนาคตก็เพิ่มันไปเรื่อยๆนี่คือคือเราไม่ได้ทวนกระแสนี่เราไปตามกระแสก็เลยนั่งก็นั่งไม่ได้อหลับตาก็หลับไม่ได้เพราะใจของเรามันมันมันคิดมันคิดไปเพราะว่า ลุงปูก็เคยพูดเลยว่าคนเราเนี่ยมันทุกเพราะความคิดถ้าคิดมากมันก็ทุกข์มากถ้าคิดน้อยมันก็มันก็ทุกข์น้อยถ้าไม่คิดล่ะมันก็มีแต่ตัวรู้อย่างเดียวแต่ที่จริงมันต้องคิดแต่ว่ามันมันรู้ถ้าถ้าเรารู้ทันแล้วก็สบายเหลีก็เลยมานั่งนั่งแล้วก็หลับตาหลับตาเข้าสมาธิตอนนี้จะปราบผีแล้วที่เนี้ยจะปราบผีแล้วนั่งตาหลับตาไม่ใช่นั่งตาไมจะช่หลับตามันก็ไม่ไหวแล้ว เขาใจของเรามันคิดไปอย่างนั้นคิดไปในอดีตคนที่เคยตายมานั้นเราคิดเห็นหมดเลยเป็นรูปอย่างนั้นเป็นรูปอย่างนี้ผาดวางผาดในใจออกไปหมดเลยพอดีก็อยู่ไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้เราจะทายังไงก็เลยคิดได้ว่าตนเองนี่หลักปฏิบัตินของเราไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะการสร้างจังหวะนี่เป็นมูลฐานเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดอ่าก็เลยมาสร้างจังหวะสร้างจังหวะไม่ต้องหลับตาสร้างจังหวะ ทั้งหลามันก็ควบคุมจิตได้ได้ยากทั้งที่เราเคยปฏิบัติทำมาแล้วก็ตามะเมื่อเราประสบประกสบข้อจริงแล้วมันมันทนไม่ได้เมื่อกลุ่มโกรธของเราเนี่ยเมื่อวันนี้มันอาจจะมาพูดดีญาติที่ทของเราก็ไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธเพราะว่ามันมันมันมันไม่ได้กระทบากับทั้งเมื่อประสบข้อจริงล่ะถูกข้อด่าบ้างอะถูกข้อด่าถูกข้อทาให้ทําทำให้เราพอใจบ้างเราจะเป็นยังไงนั่นแหละของจริงเลยเนี่ยของจริงที่สูจนแล้วนี่คือของจริงมันพิสูจน์ การปฏิบัติธรรมนั้นจึงว่าเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดอก็เลยนึกได้ก็เลยมาสร้างจังหวะสร้างจังหวะสร้างไปยกไปยกมายกครั้งแรกมันก็ยกแบบคิดๆนั่นนะยกคิดน่ะยกคิดเข้าคิดออกคิดครั้งแรกน่ะคือคิดไปตั้งแต่เรื่องที่มันมันไม่มีเราอ่ะนะคิดเห็นผีเทีนสางแต่พอเราทาไปนมากทําบ่อยๆแล้วก็เลยความรู้สึกที่มันมีอที่มันมีในในการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยอ่ามันก็มาหาเรา มันมาอยู่กับตรงนี้มันก็ลืมสภาวะนั้นลืมกลัวผีสิ่งที่ปรากฏการก็หายไปหายไปเลยก็มันมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวผีก็หายขวมกลัวก็หายก็เลยได้มาแต่ตัวรู้ตัวเดียวยกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้รู้รู้รู้อยู่กันนะเห็นสภาวะอย่างนี้โอ้สบายสนุกเลยทีน่ะสนุกอยิ่งแล้วมันอากาศมันก็จะเย็นหน่อยอลมก็พัดเย็นๆหน่อยโอ้สงัดไฟฟ้าก็ไม่มี ก็ได้อารมณ์ในการปฏิบัติก็เลยลืมลืมสามเณรท่านอจรย์ตั้งแต่ก่อนๆนั้นเรียกหาสามเณรวันนี้ลืมสมามเณรมหาตุวรู้ตัวเดียวผีก็หายจร่งนั้ น, ม, น, น, ม, น, นมันเป็นการประสบการณ์กับชีวิตจริงๆเมื่อเราประสบการณ์เขาจริงๆแล้วเราจะทำอย่างไรที่เรามาปฏิบัติทําไม่มีปัญหาเพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ด่าท่านก็พูดตรงไปตรงมาท่านไม่ได้ด่าหรือว่ามาก็พ่อบ้านแม่บ้านก็ไป ม, มาด้วยบางทีก็มาเจ็แม่บ้านบางทีก็มาเจ็พ่อบ้าน ก็มีเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเรากลับไปบ้านหรือว่าละถ้าเราไปคนหนึ่งคนเดียวเมื่อสิ่งเหล่านี้ เ, เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะเราจะทํำยังไงไเราจะสู้ได้ไหมเราจะสู้ได้ไหมเราจะนึกถึงสิ่งที่เราได้มาเพื่อปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ไหมเนี่ยนี่คือประสบการณ์ของชีวิตแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเราทําได้จริงๆแล้วถึงมันจะมาอย่างไรก็แล้วแตนะ่เพราะว่าเราเราู้เรามีพื้นฐานในการปฏิบัติอยู่แล้วรับรองว่าไม่เสีย ไม่เสียเที่ยวนะประสบการณ์นี้เป็นการไปพบเอาจริงๆเอากายกับใจของเราไปพบออกไปสศพกาจริงๆนะตอนนี้นก็ธรรมาบวชใหม่ๆนี่อยู่ที่วัดอ่าบวชใหม่แล้วเจอผีเยอะแต่ไม่หนึ่งก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ปฏิบัติก็เพียงแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องคือวันนั้นก็มีคนเขาตายปีสองพันห้ารอยยี่สิบเอ็ดบวชใหม่ๆมีคนเล่นสงการแล้วก็เล่นสงการแล้วก็มานอนหลับตาย ตายพอดีก็เลยเอาไปเผาเผาแล้วกลับมาเขาก็าไปให้มาติกาเมืองสุขุนเอาไปให้สวดมนต์สวดมนต์ที่สไวก่อนนั่นหรือว่าประเพณีเขาถ้าคนตายใช่ไหมล่ะเอาศพออกจากบ้านแล้วก็กลับมาสวดมนต์อีกสามคืนออยู่ทางใต้อยู่ทางอขอนแก่นนั่นางานงานห็นดีอยูสามคืนสวดมนต์ตั้งมงคลในสามคืนขึ้นครบสามคืนแล้วก็ตักบาตรถึงเก็บดุกได้พอดีวันนั้นก็เลยไปสวดมนต์ ในบ้านพอดีอาตมาก็ไปไม่ทันเขาก็เลยไปเรียกเนนบอกว่าเนนเนนอาจารย์ไปหรือยังเขาว่าอาจารย์ไปเมื่อกี้นี่พอดีอาตมาก็เดินเดินเดินพอดีก็เลยไม่รู้อะไรเป็นงอใหญ่ๆดำ ๆ, ๆวิ่งตามอาตมามาวิ่งปุ๊บปุาาา๊๊บปตามหลังมาอาตมาเพราะว่านึกว่าเนนวิ่งตามหลังเขาบอกว่าเนนวิ่งทําไมอ่าหลวงพี่ไม่ไปไหนหรอกจะท่าอย่างนี้เแหละพอดีมันก็เหยียบมันเสาร์ มา <c oughs> ออผีมันผีมันผีมันหอบมามาพอดีก็เลยบอกว่าเอ๊ะเนรทำไมจังเหนื่อยจังล่ะพูดพูดแต่ไม่เดี้ยวหลังนะไม่เลี้ยวหลังแต่ว่าอ่าเดี๋ยวกับหลังข้างข้างเดียวว่าเป็นคนเป็นคนดคนดําดําวิ่งตามหลังมาเป็นรูปดําๆําก็เลยพอดีมันก็วิ่งมาแรงก็เลยอ่ารีออกข้างหนึ่งพอดีมันก็เลยวิ่งกายไปกายไปพอดีก็เลยเป็นเงาวกใหญ่เลยหงนัง้างนั ก็เลยบอกว่าเอะอะไรก็บอกว่าอะไรแค่นั้นแหละมันก็หายหายไปแล้วก็เลยกลับมาใหม่ตอนนั้นขนไม่ลุกไม่เมือนกันอยู่ป่าพัทยาข น, นไม่ลุกไม่สู้แต่เป็นป่ากอดกลอย่างนั้นก็เลยกลับมาหามาหามหามหาเนนที่ที่ฟ้ากุฏิพอดีก็บอกว่าหลวงพี่ไม่ได้มาถามผมดูสิลวงพี่ไม่ได้มาถามผมแต่ว่าอาตมาว่าไปถามเนนอาจารย์ท่านไปก็เป็นนานแล้ว อย่างดูสิไอ้ตั่นก็ไปถามมียิงอะถามเนี่ยเนี่ยบอกว่าหลวงพี่ไม่ได้ถามผมถ้าถามผมหลวงพี่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าท่านจัดจัดท่าไปครบแล้วมาอย่างนั้นก็เลยมานึกในใจเอี๊มันอะไรเป็นอะไรเขาบอกว่าผีมาอย่างนั้นะแต่ามาไม่ว่าผีแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้จักนี่ยมันเป็นอย่างนั้นะสมัยก่อนเหมือนมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะประศรัการมันเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนนั่นเอง อาตมาอยู่วัดนี่นอนอยู่นอนอ่านหนังสือนี่นองกลางวันไม่ได้นะถ้านอนกลางวันผีมันจะมาหออ ย, ายอดนี่หยอดข้างสีข้างเลยจริงจริงเลยให้เขาเอาไม้ไปถังถังข้างสีข้างเปุ๊บตกใจเลวอุ๊กปวดรลองอุ้เลยอ่าเนี่ยเป็นตั้งหลายครั้งสมัยก่อนเพราะมันไม่มีไฟฟ้าถ้าดึกๆึกขึ้นมานี่ลงลงไม่ได้ดถ้าปวดขี้แล้วก็เอาทอนไปด้วยขึ้นขึ้ น, นอ่าในห้องเอาจะจริงด้วยไม่กล้าลงเนอกเอาทอนไม่ได้วทนเยี่ยวทนขี้เอาใส่กันไปเลย อมันแจ้งแล้วทั้งกลับต้องเอาไปเอาไปเททิ้งเพราะมันน้ากลัวจริงๆมันมีไฟฟ้ามันป่ามันก็ลกเนี่ยสมัยก่อนเห็นเป็อย่างนั้นนี้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมเนี่ยคงจะคงจะเป็นยังไงคงจะเหลอตายหรือไหลตายกันกับขาว า, า น, นเจอไม่ได้เจอแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเรามีสติมีหลักปฏิบัติเป็นพื้นฐานแล้วรับรองว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะมาได้ประสบการณ์มาแล้ว ตั้งหลายครั้งสมัยหนึ่งไปอยู่บ้านพนเนี่ยบ้านพนปากภูนี่ก็อาจะมาไม่รู้ว่ายัางไงนะวัดที่หลวงปู่ไปสร้างเอาไว้ได้อยู่บมทุกวัดเลยสมัยก่อนนี่วัดนอนสวรรค์ น, นาออดเนี่ยก็ได้ไปอยู่นี่มัานนาออ น, นอนสวรรค์ น, นี่ไปอยู่ปี2526ไปอยู่ที่นี่ไปยกมือเขาก็มีโยมมาถามเอ๊ะเขานะเป็นศิษย์หลวงพ่อเทียนหรือเปล่าฉันบอกว่าไม่ไม่ใช่ศิษย์หลวงพ่อเทียนแต่ว่าปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนนะเขาก็ออกมาถาม เขาก็มาปฏิบัติด้วยที่ที่นาอ้อแต่ไม่รู้จักชื่อเขาคนทั้งวันแก่ก็มาปฏิบัติไปอยู่นั่นภาษาหนึ่งไปอยู่เทวทวันอ้อเขาก็บอกว่ากุฏินี้ก็หลวงพ่อเคยมาอยู่กุฏิเล็กๆะแต่ว่าจะมาไปเมื่อก่อนเล็กจริงๆแล้วก็มนก็มีอะไรไหลายๆอย่างมีเขียงน้อยไฟฟ้าก็มีเพราะว่ามันมันมันล้างเอาไว้มีคนไปสูกซามีอะไรไปสูบซ่าที่นั่นนะแล้วมาก็ไปอยู่ไปอยู่ปียี่สิบหกไปอยู่ที่นั่นวิทวัตโนนสวรรค์มันนาอ้อได้อยู่ปีหนึ่ง อยู่ปีปีสองก็จะไปอยู่อีกพอดีก็เลยเขาก็มนให้ไปอยู่บ้านโพนบ้านโพนปรับภูนี่อยู่ที่นั่นอีกก็เลยไม่ได้ดไปไปอยู่ที่บ้านโพนเขาด่าเขาว่าอาตมาเป็นบ้าอ่าไปอยู่ที่บ้านโพนนี่เอาเนรไปด้วยสามเนรหลังจากก่อนก่อนทํามวัดก่อนธรรมวัดเย็นเสร็จหรือว่าห้าห้าโมงนี่ต้องคุมผ้าพาเนนปฏิบัติเดินจม ก, กรมละอล้อศา ล, ลา พอดียมเขาอามาเห็นก็ว่าพระอะไรผีบ้านพระตัวเล็กๆผีบ้าอะไรมาครั้งแรกก็เดินคนเดียวเห็นว่าเป็นบ้าคนเดียวเอาไปมาเน้นน้อยสามเนี่ยก็เป็นบ้าด้วยเขาว่าอจะมาเป็นบ้าจะมาก็เอ้ยมันบ้ายังไงนอเนาะเขาว่ายังไงนะเขาก็บอกว่ากว่าจะมาเป็นบ้าเนี่ยเขาว่าเขามามนอาตมาไปสวดไปสวดมนต์อาตมาว่าอาตมาไม่เคยมาไม่ไม่เคยสวดมนต์